ดำเนิต่ออีกเราก็ได้มาสาธยายพระสูตรอเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอรรถตาอแล้วก็งสูตรอ่า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 สิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเป็นคำสอนแต่ถ้าเราเป็นภาษาว่าเอาเฉยๆไม่มีการกระทําให้เกิดขึ้นมันก็ค่อยมีประโยชน์ การสอนธรรมของพระเจ้าเมื่อสอนให้จำเอาสอนให้ไปทำดูว่าวก็ทำมันเป็นการสัมผัสการสัมผัสนี้ไม่ลืมการจำมันลืมเชในพระสูตรทำอุปการะมากสองอย่างต่ยตีความรู้ได้สัมปัญญาความรู้ตัว ทำมันทําให้งามสองอย่างขันตีความบวชตนโสรจ่าความสงเสียมบุคคลหาได้ยาสองอย่างบุาาบคคลผู้รูปกาละก่อนแต่ตันอยู่ก็แต่เวทีบุคคลผู้รูปกาละที่ท่านทำแล้วละตอบแทนนี่จอมองตั้งแต่เป็นเนนเลียนนักธรรมขันตีจอมได้ทุกวันนี้แต่ไม่ค่อยรู้ ว่าสานกแก้วนกขนทองต่อมาปฏิบัติสติความลึกได้มันเป็นการสัมผัสกู้แขนเข้าเหยื่อเฉนออกให้มันเป็นความสัมผัสดอกให้เห็นไม่ใช่ลู่ลู่เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการพบเห็นนี่คือกาย กู<อ>้เขียนเข้าร <late. S 2> ู้สึกกู้เขนเข้าจริงๆรเหยื่อเขียนออกรู้สึกเหขียนแขนออกจริงๆนี่เป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการคิดเห็นไม่ใช่สัมผัสแต่การพบเห็นเป็นการเป็นการสัมผัสเหมือนครูสอนน้องตเป็นครูสนนักเรียนหนูบ้าน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 จีฟองเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยจีฟองเนยฟงเดียวไก่ออกไก่เราฟองสองวันได้ไข่จีฟองเห็นไหมเห็นไหมบอกว่ามันจีฟองอ่ะสองฟองมันก็เห็นนให้การสอนให้เห็นให้ทําไม่ใช่ให้จําให้ให้ทํา ให้เห็นพบเห็นถ้าถ้าหลองตาพูดว่าตาให้นักให้เด็กๆพากันจับตานะตาไอ้เด็มาจับตาเอามือมาจับตาไม่ใช่ตาเป็นภาษาพูดตาหูมือหูฉุเด็กมอจับมันเห็นมันสัมผัส อันนี้สอนอนุบาลพวกเราก็เป็นอนุบาลกายทุกคนมาต้องวอกบายก็กายเอามือวางไม้บนเข่ามือวางไม้บนเข่าตะแคงมื <mus i> ่อ <meter> ข้างขวาลูบศึกยกเมือข้างขวาลูบศึกมาเคลื่อนมื่อวานนี้รู้ศึกลูบศึกลูบศึก รู้สึกการัรู้สึกไม่ใช่คำพูดในคำถามไม่มีมันรู้สัมผัสออกนี่คือว่าภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรียนรู้ เรียนรู้เอาตำลามาท่องอาสติความลึกได้อยู่ในหนังสือนักธรรมชั่นตีนว่าวกวา่าเป็นผู้สูตรทำมือปการละมากทำโอปปกาละมากสองอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนที่นั่นเอากายเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษา ทัศนานุตตริยะเห็นเห็นกายไม่ใช่อตาดูมันเป็นความรู้สึกตัวนั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติถ้าเป็นภาษาย่ำไม่ได้สัมผัสสติเป็นยังไงถ้าเราสัมผัสกับสตินี่ความรู้นีความรู้ระหว่างความรู้ไม่เกิดเลยขึ้นตรงนั้นเกิดความหลงก็มีหลงทางไหนหลายอย่าง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 การสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราแต่เรามหลงรูปเป็นไหมยาวขนาดไหนไปไกลไหมในเราหลงทีหนึ่งลู่ลรูปเลียงหรือหลงสองเรื่องเราังไม่รู้หลงเรื่องหนึ่งเรื่องสุกหลงเรื่องหนึ่งเรื่องทุกโมตดอะไรต่างๆมันเอามาหลงมันติดเปื้อนมาไปสุกส่วนเลยมา พอามาทํากรรมฐานมันก็ไหลไปทางเก่าเคยหลงเคยสู่ยเคยโทุกเคยรักเคยชงังเคยได้เคยเสียเคยผิดเคยถูกมันก็หลงวิ่งไปที่เก่าเราจะเห็นชัดเจนเวลามันไปกลับมามันเป็นภาพปฏิบัติที่ลึกซึ้งไม่ใช่ลึกแล้วเวลามันหลงลู้จะเรกอาจจะหยาบหยาบ ด้านๆบ่มันรู้ไปทุกครั้งที่มันหลงมันจะจะเอ๋ได้สัมผัส ด, ดูความหลงสัมผัส ด, ดูความรู้เป็นอย่างไรผู้รู้ผู้หลงคนเดียวกันจะเห็นเองมีสติประสบการณ์ทั้งสองอย่างระหว่ า, างความรู้ความหลงนั่น้าละมันเป็นยังไง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 จัมบัดดูแล้วเป็นคนละอย่างสุขเห็นมันสุขทุกข์กเห็นมันทุกข์ปวดเมื่อยเห็นมันปวดเมือ่อยร้อนหนาเห็นมันร้อนหนาวผู้ที่ร้อนผู้ที่หนาวตัวตนที่เป็นผู้ร้อนในกายไม่มีแต่ก่อนเอากายเป็นตัวเป็นตนหลอยภพหลอยชาติ ในกายเป็นตัวเป็นตนหลายภบหลายชาติแต่ละภพแต่ละชาติเกิดเป็นภพเป็นชาติแตกต่างกันไปความหลงเป็นชาติหนึ่งความทุกข์ความสุขเป็นชาติหนึ่งความโกรธโลภหลงเป็นชาติหนึ่งทำแล้วของมชังบป็ชาติหนึ่งเกิดดับเกิดดับตัวจเกงเอากายมาเป็นภพเป็นชาติเกิดเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉาน อุปปาทิกรเกิดผขึ้นเห็นว่าแต่เกิดจุเจ น, นโกรธแล้วโกรธอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกสุขแล้วสุขอีกแล้วก็ความสุขความทุกข์ความโกรธที่เกิดจากความหลงนั้นนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนบางทีเราทําตามความโกรธ เป็นยังไงตามตามความลักเป็นยังไงจริงไหมควาโกรธจริงไหมอะ่าที่เห็นมันโกรธจริงไหมความทุกขจริงไหมเห็นมันทุกข์จริงไหมไม่เป็นผู้ทุกข์จริงไหมมันสุกเห็นมันสุกไม่ใช่สุกเป็นสุกไม่ใช่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่แต่ว่ากำลังจะอ่านออก อ่านออกได้แต่ก่อนมันอันเดียวสุขคือกูทุกขือกูอะไรต่างๆเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดวันนี้เห็นนี่มันก็เป็นอย่างนี้กรรมฐานกรรมฐานเป็นไปในรูปลักษณะแบบนี้อ่านออกเขียนได้เห็นอันเดียวเห็นไปเห็นมาเห็นมันหลงเห็นมันรูเพร้อมกันมาพร้อมกัน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 เมือม่อเมื่อเล่าความชั่วก็เป็นศีลขึ้นมาเมื่อทำความดีตั้งใจทำความดีก็เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสิกขาเป็นไตรสิกขาไปนในตัวเสร็จไม่ได้ไปสมาทานบอกเสียงเป็นภาคที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างนี้เรียกว่าปฏิวัติธรรม เอ้ไก่เป็นนามลาเอาใจเป็นธรรลาเอาสติเป็นนักศึกษาพระชีรัตถะศึกษาเรื่องนี้ไม่มีหนังสือจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนพระสอนผู้คนจนเป็นพระรหานเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากไม่มีหนังสืออ่านออ <c oughs> คุณระบดคุณลถิดามิสฉาออกบวชก็บวชให้แล้วก็อบอกน่นคนไม้โน่ น, นเลือนว่างโน่นป่าชัดโน่นถ้ำโน่นภูเขาไปศึกษาเรื่องนี้เธอจงเป็นพิกสูมาเถิดแต่ไม่ไหนเรากล่าวไว้ีแล้วจงเป็นผู้ ตรงประพฤติทำทำไว้ไหนให้เป็นที่ชื่นทึกทุกข์สิ้นทุกข์เถิดเราที่สู่ผู้บวชตัวไปปฏิบัตธิธรรมตั้งกายให้ตรงลำรองสติให้มัน่นให้สติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นิีเห็นธรรมเท่า <c oughs> นี้ไม่มีอะไรมากยอนับดูตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ป่ดนั้งูเจ้า เกิดขึ้นตรงนี้เว็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเป็นเดือนหกเนี่ยไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตัดชะลูกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า ต, ตัดชลูกขึ้นมาแล้วในโลกพระุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกในวันเป็นเดือนหกนับจากนี้ไปถอยไปสองวันห้าร้อย สองวันห้ารยเก้าสิบแปดปีมาแล้วนับจากวันเป็นเดือนหกมาถึงวันเป็นเดือนแปดตื่นตื่นรุ่นเรื่อนี้อาจะวิ่งเอาเหมือนดวนดวนต้องไปบอกใครต้องไปบอกใครเรื่องนี้คิดถึง อุกตกระดาบทอรอาาตระบทที่เป็นอาจารย์คนแรกก็ไม่มีเสียแล้วคิดถึงใครคิดถึงปัญ จ, จวัคคีที่พอจะพูดตรงนี้เข้าใจเหมือนบัวพ้นน้ำบ้างพอได้แสงแดดดวงอาทิตย์ก็อาจจะ บ, บานได้ถ้าคนเนี่ย เลยอยู่ที่ไหนล่ะคงจะไปโน่นนะอิสิปตนะมะลึกษายวันโน่นที่ปลดป่วยของสัตว์โลกนักปวดั้งหลายสี ส, สีขีไฟไปอยู่ที่นั่นอเดินไปประมาณสามรอยกมที่เวลาเดินอยู่เดือนหนึ่งตั้งแต่วันเพ็นเดินคิด ออกจากสีมาโค ว, วันเพ็ญเดินเกตเดินมาถึงอิสิปตนะปกร ณ, ราณาสีนี่นั้นเพ็ญเดินแปดมาเห็นปัญจพิชยพอดีได้พูดเรื่องนี้ดูก่อนปัญจพิชีดูก่อนปัญจพิชีมาแล้วบัดกำลังมีพระธรรมพระเจ้าเกิดขึ้นเลื่องโลกนี่พร้อมพระผาพร้อมทั้งพระคำพร้อมทั้งพระธรรมความสองสอน ตรงนี้มีพระธรรมเกิดขึ้นมาพูดให้ปรนเจ้าชขีฟังดูก่อนดูก่อนหลังที่เราสาธยายพระสูตรตอนเช้าตอนเย็นทรรวัาเช้าตอวันเย็นเนี่ยเขามาบอกบรนเจ้าชขีไม่ค่อยใส่ใจ หันหน้าหันข้ากหันหลังให้อยู่มีแต่โกนทัตยาเห็นผู้หันหน้าใส่ฟังอยู่โกนทัญญาตั้งใจฟังในเรื่อง่างเรื่องอนตัตตลค่าชูตรเรื่องอริสัจชีช้ต่อกันไปจนปัญญาคนทัญญาได้มารูธ้ธรรมเป็นพระอรหันเกิดขึ้นในวันนั้น ตอนนี้พอสอนอัญญาคนัญญาเป็นพระหานแล้วอญญาฉีวุทตโพกนทันโยอน ญ, ญาฉีวุทตโพกนทันโยอญญาลู่แล้วหนออัญญาก็บ อ, อกว่าลู่แล้วลู่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบัดเนี่ยสมมหาสมพุทธโธและะ้วบัดสอนผู้อื่นลู่ตามแล้วบัดแน่นอนที่สุดตอนสอนการตัดสู่ของเรามีเฉลยหนึ่งคนในวันเป็นเดือนหกในวันเป็นเดือนแปด เรามเทสนากันแรกมีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกไหนเป็นเพนเดินแปดคือกกรัญญาภามคือปัญจวัคคีนั่นเองนี่เรือสมหมาสมพุทธโทพิสูจน์ได้ค้ายๆกว่ายกนิ้วให้ยกนิ้วให้ข ย, ย, ยัดเหมือนสูตรที่เราได้เรียนมาจบมากันนะมีมีประโยชน์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 ความโกรธก็ไม่ดีแต่เรายังโกรธยังทุกข์อยู่เพราะไม่ฝึกหัดอันความรู้มันใช่ไม่ได้ต้องฝึกหัดอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองการฝึกหัดนี่กับผลที่จะมีในสถานที่แบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> เร อ, อยู่ด้วยกันได้ไ ม, ด ไ, ไม่ปืดเฟืองกันไปไม่วุ่นวายกันไปไม่ลาบากกันไปแล้วก็มีคำสั่งคำสอนที่ได้ทำมาบ้างพูดมาบ้างจังมาบ้างเอามาบอกกันให้ทำอแบบนี้ การขู่เขีนเข้าก่อนเกลียดแขียนออกเดินจงกรมไปข้างหน้าถ้าไม่มีที่ตั้งมันจะไม่อยู่มันจะไหลไปข้างหน้าไหลคืนทั้งหลังชีวิตของเรามันทุกขสนมาต้องมีที่ตั้งมันเข้ากรอบเข้าพิมพ์สักหน่อยเราจะรอชีวิตเราเอา้มันกระอยู่กระจายเอามากองไว้ก่อนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ มาอยู่ที่กายเนี่ยเอากายเป็นติ่ตองมีกายไหมไอ้ชีน้อย <c oughs> ทุกคนก็มีอันกายนี่ไม่ใช่แก่ไม่ใช่หนุม่มอันเดียวกันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายคำ ว, ว่ากายตัวเนี่ยไม่ใช่นักบวชไม่ใช่กราวาสไม่ใช่เพศใดใดระตีใดนี่กายใดทั้งนั้นคือกายเหมือนกัน แต่พวพูดถึงกายกันเดียวกันหมดเสมอภาพสามมลักษณะเสมอกันเดี๋ยวนี่ก็เย็นหน่อยไม่ร้อนก็เสมอกันนั่งนา น, น, านก็ปวดก็เมือ่อยไมีขามีก้นไม่เข่าไ ม, ม่อะไรต่างๆไม่หลังเราพ่อใหญ่เราพ่อกลมนั่งนานมาจนหลังขวดหมดแล้ว <laughs> เอาอย่าเอวเอวอย่านั่งเอวหวั่นดิตเอาไว้ให้ตรงก่อนหน้า อ, อกคอใบหนะ้าหวั่นดิตเขาจะเอาตรงนี้อย่าก่งอย่าเอ็นอย่าเอาียงทุกเจ้าว่าตั้งกายให้ตรงเนี่ยหัวเขอท้อาหัวสร้ย ขาขอเท้าขาใช้ตั้งกาให้ตรงมีสติหลงไปการคู่แขนเข้ากันเหยียวฉันบอกว่าเหมือนจะขดหลงก้็เหนืยขึ้นมาตั้งต้นใหม่ใบหน้าตั้งต้นใหม่หน้าอกตั้งต้นใหม่เอวตั้งต้นใหม่ลําคอตั้งต้นใหม่วางหน้าให้เป็นวางใจให้เป็นงัดทุกอย่างเพื่อนไหว าการเคลื่อนไหวการหัดเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เปล่ามาบริหารส่วนเนี่ยหน้าอกต้นแขนต้นคอเอวมาบริหารส่วนเนี่ยหัวใจนี่มาหายใจเข้าลึกๆหายเจยาวๆอกมันจะมีพลังสูดลงเข้าสูดฝอยลมออกเร า, ต, า, าตั้งใจพอกพอกพอกเลือด พปดปูปูเป็นแมองก็จะแม่กองไหมปดเป็นมกองปูมันลม่ะลมไม่ใช่เครื่องปัมลมเอาลมหายใจปม่กองหายใจเขาลดดบวมขึ้นพองขึ้นถุงลมในปดทุกถุงจะพองออก สูงเลยเกินใจไ ป, ปล่อยรองหมดมันไม่มันหมดแล้วก็จะเอาโอเคนั่นมัน้มันแหวบลงบุญนอปองขึ้นแวบบลเหมือนเป่ารูปปองอถ้ามันไม่แวบบไม่พูมันจะถุลงลมไหลปอดมันจะไม่มีไม่มีกำลัง เมื่อถงลมหนปใดไม่มีกำลังเลือดก็ไม่ดีน่ะเพนันกรรมฐานนี่ดีดีนะบริหารส่วนนี้ปลอดด้วยจิตใจเปลี่ยนนั่นเรื่อยตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เข้าฉากใหม่ออกฉากใหม่ตั้งฉ า, ากใหม่เหมือนนักมวยเขาต่อยกันนะ่ะถ้าเข้าฉากไม่ดีมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีจังหวะ ตับตโตเรื่อยๆอมยิ้มไปเรื่อยๆบางคนก ร, รมาฐานทำกรรมฐานหน้าบูดๆหน้าเบึ้งเหมือนไปทุกข์ฮ้ยนะน้เบึ้งเบึงเหมือนก็ทุกข์อะไรทุกข์อะไรเลยะมันหน้าชื่นใจเรามารู้ตัวเองเนี่ยชีวิตของเราเป็นของเราแล้ววันเนี่ยรู้จักตัวก็ได้ดูแลตัวเองปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองเนี่ย มันผิดหรือถูกมาดูแลเราแวนวะปฏิบัติทมไปทำไมเฮ้มาดูตัวเองมีสติดูกายมีสติดูใจใจมันไปไหนสอนมันอย่าไปมาอยู่นี่อยู่กับรวยอยู่กับเย้าปยกับบ้านบ้านของใจคือปกตินะ เออมันพุ่งไปทางอื่นไปรักไปเกียดไปสุกไปทุกข์ไม่มีบ้านคมร้ายค้มดีนั่นน่ะให้มันปกติบ้านของใจลายก็เคลื่อนไหวให้มันอยู่ด้วยกันมือเคลื่อนไหวใจลูกอยู่เนี่ยไม่เติอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันลองดูชั่วช่างสะบัดหูชั่วหูแลบลีนมันจะผิดหรือถูกจะปรยกลางคืนเป็นขวนกลางวันเป็นเปล กลางคืนว่าฝันรลางวันวายคิดอย่างนั้นหรือชีวิตเราเอาชีวิตไปห้องไปแขนกับสุขกบทุกข์แค่ น, นั้นหรือทำไมไม่อยู่ตรงนี้น่าจะช่วยตัวเองบ้างบ่อให้รักป่อยให้ชังปล่อยให้ความโกรธข้ามวันข้ามคืนให้ถูกต้องหยุดไม่ได้หรือ รถมันวิ่งได้มันต้องหยุดได้ใจที่มันคิดแล่นไ้หยุดใช่มาลู้ตัวนี้นี่กรรมาฐานคือที่ตั้งแนวที่ตั้งเอาไว้ถ้าไม่มีที่ตั้งมีรูปแบบมันก็ไม่อยู่มันคิดไปข้างหน้ามันคิดเกนข้างหลังสี่ปียังเอามาคิดมาอยู่สุกุโตแล้วยังคิดถึงกรุงเทพที่ไหน มันได้อะไรคิดไปโน่นเป็นจริงไหมเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราลักก็ลักเม่ก็ต้องทำตัวให้มันดีถ้าลักผัวลักเมียก็ทำตัวให้มันดีถ้าลักลูกลักเต้าก็ทำตัวให้มันดีแล้วเพื่อนลรามิตรทําตัวให้มันดีนี่คือความรักไม่ทําตัวต้องหลดร้อนไม่ทําให้ใครหลุดร้ อ, อนนี่มันฝึกอย่านี่ย เอเห็นเห็นกายมีกายมีใจไม่ปลอดภัยถ้าเห็นบ่อยๆเห็นรูปเห็นน้ํานะเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นน้ำธรรมถ้าเป็นกายนี่จนง่ายถ้าร้อนกน็เป็นผู้ร้อนถ้าหนาวเป็นผู้หนาวถ้าปวดเป็นผู้ปวดไอมีกายมีใจถ้าเราดูไปดูไปมันเลื่อนชั้น มันเห็นร <r> ูปเห็นน้ำเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนาำธรรมถ้าเห็นเป็นรูปสุกไม่เรียกว่าสุกทุกไม่เรียกว่าทุกเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาำไมนใช่สุกไม่ใช่ทุกไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวแต่ก่อนร้อนเป็นร้อนหนาอเป็นหนาวสุกเป็นถูกหิวเป็นหิวทุกเป็นทุก พอเห็นรูปเห็นน้ำเป็นรูปเป็นน้ำแล้วสุขไม่เป็นสุขเห็นเหมันสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นเหมือนทุกข์เห็นเหมือทุกกันเห็นที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับน้ำเป็นอาการไม่ใช่เรียกว่าสุขว่าทุกข์แล้ววะเนี่ยเป็นอาการก็มันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปขอบคุ้นความหิว แต่ก่อนความหิวเป็นทุกข์อ่ะมันมีแต่กายแต่ใจแต่นี่ทำไมเห็นรูปทำนามทรรมขอคุณความหิวก็ไม่รู้จกหิวมันก็ไม่ใช่รูปไม่ใช่ออกมาเป็นทุกข์ความร้อนก็ขอบคุณมันรูปนี่มันรู้จักร้อนเป็นสัญญาณภัยของรูปมันร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็น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 น่าสุขมันหนักน่าทุกข์มันหนักเธอเห็นเป็นเาการมันไม่หนักมันไม่หนักแล้วก็เห็นรูปทำเห็นนา้ำทำมันทําดีมันทําชั่วรูปนี้ทําอย่างนี้มันทําดีอะไรสั่งให้มันทำอย่างนี้น้ำมาทำอะไรสั่งให้มันทำอย่างนี้รูปนะครับ มันทำไม่ได้มันก็เลยใช่รูปถูกต้องคิดถูกต้องคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นเอารูปมันทำดีเอานามมันทำดีสำเร็จประโยชน์โอ้ทำดีมันเป็นบุญทำชั่วมันเป็นบาปบาปคือทุกข์บุญคือไม่ทุกข์รู้จักบุญรู้จักบาปเลือกเป็นแบบนียรู้จักบุญรู้จักบาป รูปทำน้ำทำเป็นอย่างนี้ทำดีทำชั่วในรูปในน้ำนี่มันมีทั้งมีการกระทำเกิดขึ้นเป็นกรรมเราก็ารูปนามมา <c oughs> <c oughs> ทำดีได้สาเร็จมันอยู่กับเราแท้ๆเป็นการใช่รูปใช่น้ำ แต่ก่อนกายใจมันใช่เรามีแต่มันใช่เราไม่อยากคิื่ก็ะชิดนอนก็ะเคลนก็ะฟันแบกบอกเราม่เห็นลูกทำนำทำําเรามันก็ใช่กายใช่ใจ ใ, จใจห้ถูกต้องใช่ตาใช่หูถูกต้องถ้าเราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้ลูกทุกน้ำทุกมันบอกอีกมันขดคุยออกมา หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์ของลูกถ้าไม่หายใจเข้ามันเป็นทุกข์หายใจเข้าไม่ได้ไม่หายใจออกก็เป็นทุกข์ realm, เป็นทุกข์ไม่กินไม่ถ่ายนนมันก็เป็นทุกข์ไม่หลับไม่นอนก็เป็นปทุกข์ไม่ยืนเดินนั่งมันก็เป็นทุกข์เป็นลูกทุกข์เป็นก้อนทุกข์ไม่เห็นลูกทุกข์เนีย่ยโอ้ย น้ำตาซึมไม่เคยช่วยเหลือลูกบางคนสมัยก่อนยังสู่ปูดีกินเหล้ามีความโกรธไม่รู้จักช่วยลูกช่วยน้ำบ่ามาเห็นทุกหลวก็ตื้อเลือดล้นช่วยลูกช่วยน้ำถ้าเราพึกหักแล้วมันจะใช้ได้ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยน้ำก็ใช้ไม่ได้ใจก็ใช้ไม่ได้ กาก็ใช่ไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนีใจก็พึ่งใจไม่ได้รุมร้ายค้มดีผู้ผูแพร่แพรไม่มั่นใจตัวเองแต่ก่อนเห็นกายเห็นใจเป็นอย่างนั้นไม่ไม่รู้จนง่ายงา น, นีใจก็พึ่งใจไม่ได้พอเห็นรูปทำนาทำาหล่ามั่นพึ่งได้เรยจะอยู่ตรงนี้ เ, เห็นรูปทําเห็นนามทําเห็นรูปทุกนามทุกเน่ยสงสารจะไม่เป็นทุกดูแลมันทุกตรงไหนก็ยยอมเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเปลี่ยนได้ เ, เป็นเมือ่อเธอทุกเหมือนกับคั้วเมือไม่ทุกเหมือนก็หมายมือเปิดแล้วเห็นแล้วโกรธเหมือนคั้วเมื่อไม่โกรธ มันมาด้วยกันมีสติมีสิเหมือนมือหน้ามือหลังมือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนร้ายเป็นดีเน่นอะปฏิบัติธรรมแต่ไม่เปลี่ยนหรือพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสู้สัตว์ประเภทอื่นได้ไหมถ้าไม่ฝึกมัตัวเองไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐ มันจะประเสริฐตรงนี้มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูดได้นะมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นรูดได้มันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้อนยะ่างไรนี่ประเสริฐตรงนี้ไม่ง้อรู้นถันนะอันพวกสัตว์มันก็เป็นอย่งนั้นนั่นไม่รู้จะเปลี่ยนได้เอ่มนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนได้เป็นจัดประเสริฐถ้าคนตายถ้าตายเนี่ยคนเนี่ยกายใจเนี่ยตายเป็น ไม่มีทางที่ไปสู่สวรรค์นิพพานได้จุกสุกทุกทุกไปสู่นรกเท่ากับขนโคไปสู่สวนรนิพพานเท่ากับเขาโคลถ้ามนุษย์มันสูงขึ้นมาเห็นรูปเป็นนามมันไม่มีทางที่จะไปสู่ทุกได้มันรู้จั ก, จกข่วยเธอผู้มีสติดีจริงๆเนี่ยปิดอบายยุบลมได้เลยะ จะไปตกนโลกเป็นเปรตเป็นลูกศรายัางไงเราเห็นมันอยู่เนี่ยเราเห็นมันอยู่เนี่ยเหมือนเราเห็นงูเนี่ยจะให้งูก็ดยังไงเห็นทุกข์จให้ไปทุกข์ยังไงจะให้มันสุขจนะให้ไปสุขงเนาะสุขละทุกข์ได้อิสระมีแต่เห็นไม่ว่าอะไรมีแต่เห็นแต่ว่าที่เห็นไม่เป็นไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับปลูกกนะับน้ําเนี่ย มันเป็นชีวิตเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้ LGBTQ แว่าที่เห็นไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นชีวิตมันได้ชีวิตเหมือนกับชีวิตอยู่ในพระอบชีวิตอยู่ในพระอบเหมือนนอนในมุ้งฟังเสียงโยงเห็นมันไม่โ อ, อกาสมาเป็นสุขไม่โ อ, อกาสมปเป็นทุกข์ออกมกไม่เอาใจมาเป็นสุขไม่เ อ, อาใจมาเป็นทุกข์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 สังขารปรมัตถุขานเป็นทุกอย่างเรืวินิพันธ์นังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขเรื่องเพราะว่าสุขนี่ก็เป็นสมุติพูดกันโดยพูดอยู่เสมอว่าสุขแบบหนึ่งสุขเหมือนเก่าขี้กายจสุเเ ก, ก, กเพราะฉะนั้นขี้เกียจไงทำไมว่ามันคึ้นขึ้นมาเก่ามันเก่ามันถ้าไมเก่ามันทุกต้องเก่ามันก่อน ตอนรักษาขี้กากหายไม่ต้องเก่าอันนั้นเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสุขได้ว่าทุกได้ไหมไม่รู้จะเรียกอะไรไม่มีอันเรียกเลยสมมติว่าสุขไปซะนัตถิสันติปลังสุขังสุกเกินนี้กว่าความไม่เป็นไรความสงบไม่มีอัสุขคือไม่เก่าขี้กากจะเอาชีวิตไปห้อยไปฉินกับสุขกับทุกข์ทำไมชีวิตเรามันเหนือนั่นมีอยู่ อย่างผู้เจ้าสู่ปณิพนิพาน <c oughs> ในฌานสมบัติเอาสู่ปณิพนิพานในฌานสมบัติอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นเห่ละสุขหลอทุกมีสติแล้วแลด่โยจิตเป็นเอกจิตผุดขึ้นมริสุทธิ์ผุดฟ่องไม่สุขไม่ทุกละสุขละละสุขละทุ ก, สก เ, เกกสีย ไ, ไ, ได้ มีสติแล้วแลวอยู่มีสติแล้วแลวอยู่แตบว่าเวถ่ยยึดที่นี่โลดเข้าสู่ผลนิพพานแตรงนี้ตรงนี้อันนี้พระเจ้าได้มางู้ถึงเรื่อง น, นี้มาตั้งแต่วันเป็นเดินอกพระจนมายุสามสิบห้าปีจนเป็นนิพพานในวันเป็นเดินหกเครื่องก่อน ที่ทุชินาราเนี่ยอายุ80ปีประชุมอายุ80ปี80พรรษ า, นาในเช่วันนี้เป็นนิพพานมันเฮ้เจ้านิพพานมาตั้งแต่นู้นแล้ ว, วสูตรตรัสรู้นิพพานอันวันเดียวกันแล้วแต่มันมาตรงกันที่นี้อีกเหมือนบางคนเเกิดวันไหนตายวันนั้นบางทีก็มีอย่างนั้นคนแจก มักจะพูดคุยกันไปดูคนเจอเ๋อด้วยกันถามว่าเกิดตันไหนเกิดวันนั้นเออเดือนนี้เหลือแต่ลมไม่มีอะไรละคงจะหมดลมในวันนั้นพอดีคนเจ๋อก็มองก็ามักจะเป็นจริงไ <c oughs> ด้เป็นการเจ๋อเท่าธรรมดาได้เป็นการอุบติเหตุนี่รึ ว, ว่าบอกไม่ได้นี่คือ ก็อริงอะเราศึกษายัางไงชีวิตเราเนี่ยขอคิสูตรดวงนี้ขอถ้าทายมันไม่มีอนนาวุกธเนี่ยมันไม่มีทุกตัวมันไม่มีหลงถ้าเราศึกษาแล้วนะไปหลงทําไมไปทุกทําไมไปโกรธทําไมมันทําได้อยู่มหาหัดเปลี่ยนมาอยู่ด้วยกันจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่พาหลงทิศหลงทาง นี่คือศาสนาในเมืองไทยมีพระมีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์พระสงฆ์ก็นั่งอยู่เนี่ยมีคําสอนก็มาพูดให้ฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ปไม่ใช่ไปจำเอาฟังแล้วไปทําดูเวลามันหลงเปลี่ยนลลนะยหลงเป็นรูปนะอย่าให้หลงเป็นหลงก็หลงเป็นหลงอยู่ลื้อด้านบอกไม่เอา สอนเรเหรออย่าดื้อฮะไอตัวเองว่ามันอยู่กับความหลงไม่รู้จักเปี่ยนเลยถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมมันด้านเกินไปแล้วคนดื้อด้านถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันกูไม่ยอมกนดื้อด้านอย่าไปด่ากันเปลี่ยนซะเปลี่ยงง่ายเพราะมันโก้เปลี่ยนไม่โก้จะเหนวเรายินบอได้ยินไม้ ย่อมควเจอละกับพระพุทธ